คุณสมบัติของมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนของจิตใจนั้นจะไม่ตายไปตามกายเนื้อแต่เขาจะนำติดตัวมากับเขาด้วยในโลกใหม่และในชีวิตใหม่นี้คุณสมบัติและความสามารถเหล่านั้นก็าานนได้รับการพัฒนาให้เจริญเติบโตก้าวหน้าและงอกงามไพสารขึ้นอย่างสุดที่จะพันน า, นาทีเดียวไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือศิลปินหรือนักดนตรี หรือผู้ที่มีความถนัดอื่นใดนอกจากนี้ก็ตามเขาก็สามารถจะดำเนินงานของเขาและศึกษาต่อไปอีกได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งอย่างยิ่งคำอธิบายเพิ่มเติมจากอาจารย์พรรัตนสุวรรณหมายเหตุข้อที่29หมายเหตุข้อนี้เป็นข้อ ท, <c oughs> ที่มีสาระสำคัญมากที่สุด สำหรับบุคคลในโลกมนุษย์เพราะถ้าหากคนไหนเชื่อตามนี้จริงๆเขาก็จะมีกำลังใจทำความดีเพื่อความดีทำงานเพื่อผลของงานยิ่งกว่าวังผลอย่างอื่นและจะทำให้คนเรามีความสบายใจหมดความเป็นห่วงตัวเองไปได้มากและจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าโมหะคือการไม่รู้ความจริงของชีวิตในแงนน่นี้ตามความเป็นจริงเป็นต้นเหตุแห่งความยุ่งยาก และต้นเหตุแห่งความประพฤติชั่วทุกอย่างเพราะถ้าหากคนใหนเชื่อและเข้าใจตามนี้ความทุกข์ความยุ่งยากที่บีบคั้นจิตใจยอยู่เสมอนั้นก็จะค่อยๆหมดไปและจะเลิกประพฤติความชั่วทุกอย่างได้ง่ายตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวไว้อย่างเดียวกันนี้โดยมีหลักวิชาอยู่ว่าคุณสมบัติของจิตใจทุกอย่างก็คือเจตสิก คำว่าเจตสิกตามความหมายของอภิธรรมได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าเวทนาสัญญาสังขารเรียกว่าเจตสิกก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เกิดระดับพร้อมกับวิญญาณมีอารมณ์และที่ตั้งอย่างเดียวกับวิญญาณคำจำกัดความอันนี้สำหรับคนที่รู้ความหมายของสำนวนนี้เป็นอย่างดีก็ยอมจะทราบไปทันทีว่า ข้อความที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพย์ตอนนี้ได้ตรงกับหลักของพระพุทธศาสนาทุกประการแต่ชาวพุทธส่วนมากมักจะยึดถือกันอย่างผิดผิดอยู่อย่างหนึ่งว่าในโลกของโอปปปาติกะเราสร้างบุญสร้างกุศลหรือสร้างความดีไม่ได้ถ้าจะสร้างบุญสร้างกุศลต้องมาสร้างในโลกมนุษย์ความเชื่ออันนี้ยังมีความคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงเพราะความจริงแท้ๆมีอยู่ว่า สำหรับคนธรรมดาซึ่งมีชีวิตอยู่กับอารมณ์สุดแล้วแต่สิ่งแวดล้อมจะชักจูงไปไม่ค่อยจะมีเหตุผลในการกระทำและเป็นคนที่มีพื้นความรู้ทุนการศึกษาน้อยบุคคลประเภทนี้เมื่อตายแล้วไปเกิดในโลกของโอปปาติกะเมื่อตนเองมีความดีอยู่อย่างไรมีอยู่แค่ไหนก็จะมีอยู่อย่างนั้นมีอยู่แค่นั้นไปจนตลอดชีวิตยากที่จะสร้างความดีเพิ่มเติมขึ้นมาได้ ส่วนบุคคลอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่กับเหตุผลเป็นคนมีการศึกษาและทำความดีอยู่เสมอบุคคลประเภทนี้สามารถที่จะสร้างความดีเพิ่มพูนความดีรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้และถ้าหากเรื่องที่ว่านี้เป็นไปไม่ได้การที่เทวดาทั้งหลายมาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าหรือการที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนาสั่งสอนพวกเทวดาทั้งหลาย ก็จะเป็นโมคะและอีกประการหนึ่งหลักธรรมในคำพีก็มีอยู่ว่าผู้ที่เป็นพระอนาคามีเมื่อตายไปเกิดอยู่ในโลกของโอปปาติกะแล้วจะไม่กลับมาสู่โลกมนุษย์อีกเลยและจะได้เป็นพระอรหันต์ในโลกนั้นในที่นี้คือสวรรค์ชั้นสุดทาวาดนะครับจากหลักฐานในทางพระพุทธศาสนาเท่าที่กล่าวมาให้ฟังนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า ข้อความในหนังสือโลกทิพย์ที่กล่าวว่าคนที่ตายไปแล้วสามารถที่จะไปพัฒนาตนให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไปได้อีกอย่างกว้างขวางนั้นเป็นเรื่องที่มีขัดกับทางพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดและการที่ข้าพเจ้าต้องหมายเหตุเรื่องนี้เอาไว้อีกทั้งที่ได้เคยอธิบายมาแล้วครั้งหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะต้องการที่จะให้ท่านผู้อ่านได้ตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้น ไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่าเท่ากับการศึกษาหาความรู้และสร้างคุณงามความดีต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติที่เราจะพาไปด้วยได้ทุกหนทุกแห่งผู้ที่ได้อ่านหนังสือโลกทิพย์หากว่าจะไม่เชื่อรายละเอียดอย่างอื่นในหนังสือนี้ก็ไม่สู้จะสำคัญรอถึงอย่างไรเมื่อเขาตายไปแล้วเขาก็จะรู้เองว่าเรื่องที่กล่าวไว้นั้นจริงหรือไม่ แต่สำหรับหมายเหตุข้อนี้ถ้าจะไปรอให้รู้ต่อเมื่อตายไปแล้วนั้นจะทําให้สูญเสียประโยชน์อย่างมากมายเพราะถ้าหากในขณะนี้เราไม่เชื่อตามนี้จิตใจของเราก็จะหมกมุ่นไปแต่ในทางที่จะหาความสุขเพลิดเพลินแสวงหาแต่เงินทองเรื่องความดีไม่สนใจแต่ถ้าคนไหนเชื่อตามหมายเหตุข้อนี้คนที่ได้รับก็จะตรงกันข้าม กล่าวคือเขาจะพยายามทําแต่ความดีต่างๆจะศึกษาหาความรู้อะไรก็มุ่งที่จะให้เก่งมุ่งเอาความรู้ความสามารถสําหรับบุคคลที่ประพฤติตัวอย่างนี้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็จะมีความสุขตายจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีความสุขในโลกหน้าอีกสมดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอิทานันทติเปจจานันทติ กตะปุญโยอุปยาธนันทติปุญญเมกตันตินัทติปิญโยนัตติสุขติงฆโตบุคคลที่ได้ทําบุญไว้ย่อมบันเทิงใจในโลกทั้งสองคือในโลกนี้ก็บันเทิงใจหลาจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงใจในโลกหน้าอีกและทุกครั้งเมื่อนึกขึ้นมาว่าเราได้ทําบุญไว้ก็ย่อมบันเทิงใจและเมื่อไปสู่สุขติแล้วย่อมบันเทิงใจเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า และอีกแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าสำหรับบุคคลที่รู้แล้วว่าเราไม่อาจจะเอาชนะความแก่และความตายได้ก็ควรจะปลูกฝังความเชื่อไว้ให้มั่นคงในพระรัตนตรยัยประพฤติแต่กายสุจริตวาจีสุจริตมนโนสุจริตเพราะคนที่มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรยัยประพฤติแต่ความดีอยู่เสมอนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ก็จะได้รับคำสรรเสริญจากบัณฑิตทั้งหลายแล้วเมื่อลาจากโลกนี้ไปแล้วก็จะไปมีความสุขมีความบันเทิงใจอยู่ในสวรรค์อีกกลับเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับพวกเราบางคนในภูมินี้หรือภูมิที่สูงขึ้นไปเมื่อได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมเยียนโลกอื่นเป็นครั้งคราว ก็รู้สึกสลดใจที่ได้เห็นว่ามนุษย์ส่วนมากในปัจจุบันนี้ยังเป็นผู้ที่เคลาต่อความจริงแห่งชีวิตของเขาอย่างเลือเกินอันที่จริงมนุษย์นั้นไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานคือมีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ในสภาพของชีวิตและความตายของเขาได้อย่างเต็มที่เพื่อที่เมฆหมอกแห่งความเคลาซึ่งปกปิดจิตใจของเขาอยู่นั้นจะได้ถูกทาลายไปโดยสิ้นเชิงการศึกษาหาความจริงในเรื่องเช่นนี้ ไม่ใช่เป็นการผิดธรรมชาติหรือเป็นเรื่องอภปมงคลอย่างใดเลยตรงกันข้ามมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เขาจำเป็นจะต้องรู้อย่างยิ่งการที่พวกเราพยายามมาติดต่อกับมนุษย์เป็นครั้งคราวก็เพื่อความประสงค์ที่จะช่วยมนุษย์ให้เห็นความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้และเพื่อให้เขาได้เข้าใจถึงสภาพแห่งโลกทิพย์ซึ่งเรามาอาศัยอยู่ในบนัดนี้และซึ่งวันหนึ่งเขาจะต้องได้มาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างแน่นอน ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบถึงความเป็นจริงบางประการของโลกทิพย์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นข้าพเจ้ารู้สึกถึงไมตรีจิตและความปรารถนาดีที่บรรดามิตรสหายทั้งหลายในโลกมนุษย์มีต่อข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้กระแสความคิดของท่านได้มาถึงข้าพเจ้าทุกครั้งและข้าพเจ้าก็ได้ส่งความปรารถนาดีต่อไปทุกครั้งเช่นเดียวกัน แม้ว่าท่านอาจจะไม่รู้สึกตัวก็ตามเราได้เดินทางมาด้วยกันในโลกที่เป็นเวลานา น, านพอสมควรแล้วซึ่งข้าพเจ้าก็เชื่อว่าการบรรยายของข้าพเจ้าอาจจะให้ความกระจ่างและความอุ่นใจแก่ท่านทั้งหลายได้บ้างตามสมควรและบัดนี้ข้าพเจ้าจำเป็นต้องขอลาท่านไปชั่วคราวก่อนจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่สวัสดี